ท่านฟังคะบรรยากาศของรายการสันสนีสนทนาก็หลากหลายนะคะตอนช่วงต้นก็ค่อนข้างจะสุ ข, ขุมสงบเพราะว่าเราจะเป็นช่วงแห่งการที่ให้ท่านได้ปฏิบัติสมาธิไปพร้อมๆกันวั ล, ละเล็กวั ล, ละน้อยพระพุทธองค์ตั้งเป้าเอาไว้เอาคอไปค่ะเอามาอีกทีนะึงท่านฟังที่เคารพคะท่านกำลังฟังรายการสัสนีสนทนานะคะซึ่งมีการควบคุมเสียงโดยคุณนิธิวดีตันทิกุลแห่งสถานีวิทยุ รอบครัวข่าว FM106 รกายการนี้ออกอากาศทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะน่ารักทุกคนและก็อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีถ้าหากว่าท่านจะติดต่อสื่อสารผ่านทางรายการเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ทุกช่องทางอะคะ่ะเป็นโทรศัพท์ก็คือ 02-269-00-06 ถ้าเป็นหมายเลขแฟกซ์นะคะแล้วก็2 3010ส่วน sms 483 8106และสำหรับท่านที่อยากส่งมาทางเว็บไซต์ก็ส่งไปที่ worldwide web p e e t h a m a com 1 0 6เราก็จะทราบนะคะว่าท่านฟังนั้นมีคำแนะนำอย่างไรมีคำถามอะไรเราจะาคำถามของท่านนี่แหละคะ่ะมาถามในรายการเพื่อที่จะได้ให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ไปด้วยจากการ กระจางใจในข้อสงสัยที่ท่านตั้งคําถามขึ้นมาท่านฟังทราบไหมคะเขาบอกว่าคนที่เป็นคู่รักกันหรือว่าเป็นสามีพันยากันเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันที่จะต้องการให้มีความสุขเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ด้วยว่าต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีจาคะคือมีการให้มีการบริจาคเนี่ยนะคะเสมอกันแล้วจะทําให้ ได้พบกันทั้งในปัจจุบันและสามปรรยาภคใครที่เป็นคู่รักกันอยู่มีความหวังว่าอยากพบกันทุกชาติไปนะคะต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันค่ะฝากธรรมะกันเอาไว้แล้วก็ขอนัดใหม่เลยนะคะพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังในการสันสนีสนทนาได้ที่นี่เช่นเคย FM106 ีถึงครึ่ง ขอบคุณนะคะจาดิฉันสันสนีนาคพงศ์สวัสดีค่ะ